มานัตตาระหะมูลายะปฏิกัศสนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัตเดิมท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกา ว, วิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้